ชิตของพระเยซูนะครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับเราเล่าว่ามารียาโยเซฟนั้นกําลังเดินทางไปนะครับวันหนึ่งก็เริ่มผิดสังเกตครับที่พระเยซูไม่ได้ปะพลมากับคนในกองคารวานเมื่อเริ่มผิดสังเกตบิดามารดาพระเยซูก็เดินตามหาไปถามในหมู่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงว่าเห็นพระเยซูหรือเปล่า มารียโยเซฟต้องนอนทั้งคืนรอจนกระทั่งถึงเช้าครับหลังจากที่ในที่สุดทั้งสองพบว่าพระเยซูไม่ได้เดินมาด้วยทั้งสองก็ตัดสินใจที่จะเดินทางกลับไปครับที่ยรูซาเล็มเพื่อตามหาพระเยซูเพราะฉะนั้นหากว่าตอนกลางคืนนะครับในคืนแรกที่เดินทางออกจากกรุงเยซเลมแล้วเนี่ยทั้งสองพบว่าพระเยซูไม่ได้เดินมาด้วยกัน ความร้อนใจนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ครับและอยากจะเดินทางในกลางคือเลยเพื่อเที่ยวกลับไปหาพระเยซูที่กรุงเยอรมนีแต่เชื่อว่าการเดินทางในลักษณะนั้นไม่ปลอดภัยครับเพราะว่าอาจจะเป็นคืนเดือนมืดหรืออาจจะเป็นการเกรงกลัวภัยจากโจรทั้งหลายนะครับเมื่อไม่ปลอดภัยและเหนื่อยกับการเดินทางมาตลอดวันญาติพี่น้องก็ คงจะนึกภาพนะครับว่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยคงจะพยายามปลอบโยนมาริยาโยเซฟแต่พี่น้องครับลองคิดถึงหัวอกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่และรู้ว่าเขาจะต้องดูแลและผิดชอบลูกเขาเนี่ยนะครับก็คือพระเยซูเนี่ยอายุสิบสองปีเนี่ยถามว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จริงครับแต่ว่ายังอ่อนตอนโลกมากนะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ย่อม รู้ซึ้งจิตใจของมารีและโยเซฟนะครับที่ห่วงใยทุกใจกระวนกาวายมากที่พระเยซูนั้นหายไปไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่เขาแน่นอนครับมั่นใจในความดีงามของพระเยซูความว่านอนสอนง่ายของพระเยซูความเป็นเด็กดีของพระเยซูเชื่อแน่ว่าเขาทั้งสองคนนั้นคงจะรู้ล่วงหน้าว่าพระเยซูคงจะต้องอยู่ที่ไหนที่สาคัญสาคัญแห่งหนึ่งในกรุงเยรเซูซาเล็ม ถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้มาด้วยพี่น้องครับในข้อที่46นะครับกล่าวว่าคนทั้งสองนั้นหลังจากที่เดินทางกลับไปที่เยรูซาเล็มนั้นพบพระเยซูนะครับในวันที่สามครับเพราะเนื่องจากว่าวันที่สองเนี่ยนะครับเขาต้องใช้เวลาวันหนึ่งในการเดินทางกลับออกมาจากกรุงเยรูซาเล็มนะครับวันหนึ่งละเต็มเต็มนะครับขากลับวันที่สองกลับไปเยรูซาเล็มใหม่ เขาน่าจะเจอพระเยซูในวันที่สามครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเยซูคงจะทําอะไรบางอย่างที่นั่นเป็นรองกับพระกัมภีร์ไม่ได้กล่าวนะครับว่าสองวันนั้นพระเยซูอยู่ที่ไหนพระองค์ทรงทราบหรือไม่ว่าบีดามัรดากําลังวิตกกงังวลกําลังคิดว่าพระองค์พัดหลงไปพระกัมภีร์ไม่ได้บอกว่าทั้งสองเริ่มติดตามหาพระองค์ในพระวิหารเมื่อไรทั้งสองคนคงจะคิดว่า ที่นี่อาจจะเป็นสถานที่ที่เห็นพระเยซูครั้งสุดท้ายก็ได้เป็นไปได้ได้งสองอย่างนะครับว่าพระเยซูนะครับเขาคิดว่าพระเยซูอยู่ที่พระวิหารหรือไปเริ่มต้นค้นหาพระเยซูที่พระวิหารพี่น้องครับในที่สุดมีบรรยายว่ามาริโอเซก็พบพระเยซูและพระองค์ก็เห็นพระองค์นั่งอยู่ในหมู่ธรรมจารผู้อธิบายความหมายพระกัมภี โปร่งทรงนั่งฟังและทรงซักถามธรรมอาจารย์เหล่านี้พี่น้องครับเราเราแปลกใจไหมครับที่เห็นเด็กอายุสิบสองปีเนี่ยมีความรักในพระวจนะของพระเจ้าแท้ที่จริงแล้วถ้ า, ากว่าพี่น้องมีลูกมีหลานนะครับพี่น้องจะรู้ครับว่าเด็กสิบสองปีเนี่ยนะครับโดยพัฒนาการของเขาเนี่ยเขาเริ่มคิดในเรื่องราวต่างๆที่ทางจิตวิทยาเรียกว่า constructive นะครับก็คือว่าเป็นลักษณะของความคิดที่มีเหตุมีผลละนะครับที่เป็นเหตุที่ทำให้ชาวยิวนั้นจัดพิธีบาหมิสวาขึ้นเพราะเนื่องจากว่าเขาสามารถคิดนะครับได้คิดในหลักการได้คิดเป็นเหตุเป็นผลได้คิดเป็นตักกะได้ข้อสี่สิบเจดครับกล่าวว่าคนทั้งวงเหล่านี้ที่ได้ยินพระเยซูถาม ตอบนะครับก็ประหลาดใจในภาษดบัญญาของพระองค์ฝ่ายบิดามารดาก็เห็นการตั้งคำถามและการตอบคำถามการพูดคุยเรื่องเหตุผลเรื่องความคิดนั้นบิดามารดาก็คือโยเซฟและมารีนั้นก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันครับทีนีครับในข้อที่สี่สิบแปดนะครับพูดถึงเรื่องของคำถามของมารีก็เหมือนกับคำถามของแม่ทั่วๆไปครับย้องถามว่าลูกเอย๋ย ทำไมจริงทาแกเราอย่างนี้ดูเถิดพ่อกับแม่แสวงหาลูกเป็นทุกข์หนักเราได้พบบันทึกถ้อยคำของพระเยซูเป็นครั้งแรกในพระคัมภีร์นะครับในข้อ49เพียงครับให้จดจำนะครับพระเยซูพูดถ้อยคำเยอะแยะมากมายครับแต่บันทึกเป็นครั้งแรกนะครับในพระคัมภีร์ก็อยู่ในข้อนี้ครับเราอย่าคิดว่าพระเยซูหยาบคายหรือพระเยซูไม่มีมารายาณนะครับ ความหมายของประโยคแรกในภาษาฮีบรูก็คือว่าทำไมท่านนึกไม่ออกว่าจะหาลูกพบที่ไหนประโยคที่สองในภาษาฮีบรูชันจะเป็นอย่างนี้ครับพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของพระเยซูพระเยซูคงคิดว่ามารีและโยเซฟทราบดีอยู่แล้วขณะนี้พระเยซูนับเป็นผู้ใหญ่แล้วมีความรับผิดชอบคนหนึ่งพระองค์ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอันเกี่ยวข้องกับงานของพระองค์ในอนาคต เราไม่มีโอกาสทราบนะครับว่าในวันนั้นมารียาโยเซฟและพระเยซูพูดอะไรกันมากกว่านี้อีกแต่เราก็ทราบว่าผลต่อมาเป็นอย่างนี้ครับก็คือในข้อห้สิบบอกว่าบิดามารดาไม่เข้าใจคำพูดของพระเยซูในข้อห้าสิบเอ็ดครับพระเยซูสเสด็จกลับไปนาซาเรตพร้อมกับบิดามารดาของตัวเองพินาคับในพัมปีนั้นไม่ได้มีบันทึกเรื่องราวหลังจากนั้นนะครับจนกระทั่งพระเยซูอายุสามสิบปี จะเห็นได้ว่ากระโดดจาก12ปีจนถึง30ปีนะครับเห็นได้ชัดว่าพระเยซูเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ของพระองค์นั้นรู้สึกยังไงคิดยังไงกวนกวายใจยังไงพระองค์ก็เต็มใจเต็มพระไถยที่จะเชื่อความบิดเบมารดากกลับนาเร็จครับแต่หลังจากนั้นทรงใช้ชีวิตวัยรุ่นวัยหนุ่มเข้าวัยกลางคนนะครับเราคงจินตนาการออกนะครับว่าพระเยซูอยากจะอยู่ที่พระวิหารในกรุงเยรูเซเลม เพื่อจะได้เรียนรู้ต่อไปให้มากที่สุดเพราะนัครับมาถึงจุดนี้คงจะเป็นคำถามนะครับว่าเมื่อเราไปที่โบสถ์ครับเราปรารถนาที่จะได้อะไรเราปรารถนาที่จะเป็นอะไรเราปรารถนาที่จะมีอะไรหลายๆครั้งนะครับบางคนบางท่านเนี่ยใช้โบสถ์นะครับเป็นการสังสรรค์ทางสังคมอย่างหนึง่งแต่ไม่ค่อยได้เรียนพระคัมภีร์หลายๆคนก็ ใช้โบสนั้นเป็นการสังสรรค์เป็นการพบปะเพื่อนฝูงเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งที่ต้องการกชื่อเสียงการยกย่องก็ไม่ได้พบกับพระเจ้าไม่ได้มัสการพระเจ้าด้วยจิตเหญยนและความจริงจริ ง, รงเพิ่มพีบอกต่อไปนะครับว่าพระกุมาร น, นั้นก็เจริญวัยแข็งแรงทรงประกอบด้วยสี่ปัญญาและพระคุณของพระเจ้าก็อยู่กับพระองค์จะได้เห็นว่าพระองค์นั้นระเยซูนั้นไม่เพียงแต่มีความรู้ครับ ความรู้ของพระองค์นั้นจะได้รับจากการสอนกับบิดามารดาจากธรรมศาลาแต่พระองค์ก็ยังมีพระสติปัญญาด้วยคำว่าสติปัญญาก็คือความสามารถที่นําความรู้มาใช้ประโยชน์ครับในที่สําคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดก็คือพระองค์พบันทึกว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับพระองค์เพราะฉะนั้นตรงนี้บทเรียนที่สําคัญยิ่งใหญ่นะครับว่าไม่เพียงแต่เราจะต้องมีความรู้นะครับที่มีความเป็นความจําในสมองนะครับ แต่เราจะต้องมีสติปัญญาด้วยก็คือความสามารถที่จะใช้ความรู้ที่เรามีอยู่นั้นมาให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราแต่ที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดก็คือเราต้องยอมให้พระเจ้าได้สำแดงการทรงสถิตของพระองค์ในชีวิตของเรานั้นออกมาให้ประจักษ์แจง้งขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะจำเรินขึ้นทางสติปัญญาและเป็นที่ชอบพระไถยพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งหลายอาเมน